ห้ฆากันฮะภาวนาเด้หักภาวนาขอบมันบ่ท่นเป็นยังไงฮะหักภาวนาให้มันเป็นก็ตั้นแต่บ่ได้ยังได้นในโลกหรือบ่ได้ยังดิเดีจีดอนก็บ่ได้รอกตับสมบัติต่างๆก็ได้เมื่ออนว่าไปมีซื่อมีเสียงมีเสียเสือข้นข้น นับนาพืษาคนยกย่อ ง, องส้มเกยมันประย่ดหร่ดนดอกอนแห น, ว น, น, นวมวนนั่นไม่ได้ไปดอกขันโบมั่นมีจากเข้ากัเข้านี้จากมัน่นไว้ไ้มีเรื่องว่ท่านดนยังไง ห, หาเอาแนวมันเต็นหาเอาแนวมันสิยได้ในตลาดได้จังเสียเอาใดมีอยู่แนวเสียเอาใดนี่แหน่เสียเอาใดเนี่ยเป็นภาวนานพัด ภาวานาหักซ้ำใจเจ้าของให้มันสงบอันนี้แหละภาวานากานเท้ายูมิดมีดรองซ้อมเบ้างนะ ซ, อซอน้อมปูซ้อมท้นบ้างถ้ากันดินท้นควนแขวะหาอยู่หาดินห า, สหาเสียงหาไปแจ้คุณละ่ะนอกไ ก, ก, กลคุณล่ะคืดว่ามันแนวมันสดีเนีย่ยมันอยู่ฝุ่นปรยัดดียุดอกไปจงังหวะหาของดีเนี่ยล่ะ มาแล้วแบบศิลปศาสตร์เกิดไปเกิดพวกนี้เขาแล้วแ็บหาอเอาแนวดีๆไว้จังสรรยมีความคืบ น, นะไม่ว่าจะหาพบเป็นก็นหาไปนี้ตัวละ่ะหาอยู่บ้านเท่าแล้วก็พบข้อ ไ, ไปหาไกลออกไปไปหากูนุงนเตศปุ่นท่ไปหาปเหามืองนอกเมืงหน้าอเมริกานั่นะนั่นละสะหาดีประยัดนีให้นะไม่ว่าหาพบเป็นหรือพบได้หรอก มันจะไปเอามาหลายๆกับกองอุโยโอุญญาตเยอะๆแตเนาเขมรไปเนี่ยบ่มีเหลือด อ, อกหาเอาภาวนาเนี่ยอยู่ใกล้ๆมีดอกภาวนาอาโบกไกลแล่แน่สีดีเนี่ยอยู่ในเฮ้าเนี่ยในยังอยู่ในเฮ้าต้อมึงใจเจ็บของต้อมมึงว่าเฮ้านางยืนดีมันหูมือขิ่งบนหูมือเจ็บของบอราเนี่ยลองต้อมูเดียวเนี่ย มันหูมือจะของบมันไม่จะซ่อมไปวังุณน้วังตามื่นไปคุณจะเี้ยวเห็นคุณจะให่หรือยุ่นเนี่มันบมมาซ่อมจกของร่องซ่อมมันคนเดียวเนี่เข้าสิ่หูจักบอวาเ้านั่งบหูจักจักเกือบมัดมือสบมัดมือบหูจักตรวจจะของยืนหรือนั่งยืนยูบอหรือนั่งยู่รือยางยู่ือนอนยูเนี่บอหูจักจะของได้เี่ ขันบัทแนวสีดีมันอยู่วังนีเ้ะวังูเมื่อเจ้า้องูจักเจ้าฟองูเมือเจ้าองผู้ใจเจ้าฟองใจดีใจหุ่นใจเดือดอนสับสนุวาุกเีังมันออยู่วังนี่เน้ยแะวังสิเอสเอวสิเอวังนี่ะื่าหใจมันอยู่สงบมันมันอยู่นิอยู่นิ่งสงบันใจสงบแล้วมันจะสบายส มันสบายเป็นอีอยงเกิดขึ้นเมนียงมากกระทบกระเรื่อนกระบอเป็นยังขนเท้าบอคลึกใจสงบแลวมันมีแนวมากเดือดมะฮ่อนหลายแน่วอยู่ในโลกอายุแน่วหม่องที่บอมักได้แน่วบอมักมี่มูบอดีเขื่อนบานบอดีคนมาลักของ เจ็บใครได้ว่วยเนี่ยแห้งไรเนี่ยคนเจ็บพุ่วยแห้งไรเด้เขามีแครงมีขาแต่เจ็บพวยแคนปพวยขานี่หัวกับเจ็บหัวพวยหัมีท่อนมีใสกับ่วยนั่นนั่นแหะมันมีแนวไล่แนวไล่ย่างยิ้สีมากเดือดมะฮอนเอาเลยในคันบว์ขอจัดเพชรใจสงบเลยแนวอันนี้หนายนึงมาถึงแต่ข้อนว่ากันไม่ยุก เนใหม่หูแดงนาแดงเพรามันใหม่คักพักเลมันแหมมันใหม่แลแบบ้วจวดไปซื้ผู้อื่นพิบัติไปใหม่ผู้อื่นใหม่เม็ดข อ, อบเม็ดขั้วใหม่เม็มเมดมูเม็ดขวกใหม่เม็ดวัดม็ดว่านม็ดมูเม็ด บ, บ้านเม็ดโลกย้อนใหม่ไปที่นี่ะโบหูจักนี่การคล้องเจ้าของดีๆแล้วอันใจสงบก็บน้อย ับมาซ่อมเรื่องของใจสุปโยูนรักษาใจไปวดีๆมาซ่อมเมื่อเห็นโอ้อันนั้นเขาก็เบาดีอันนี้เนี้ยเบาโมวนเราจะท่วมยาบมาซ่อมเมื่โอ้เฮ้าหน่เบาหลายโพดดี้มูคนหวยมูร่ำข้านพรแห้งยังเบาอยู่ว่าันเบาเคยเจอเบาให้คุณนั่นตั้งคุณีหยอดพรมเบาของเฮ้าเขาคนตังกันจิดกัน เมื่อกีิซีซ้อมเห็นเดือนเลยโอ้บาปแล้วบาปกินหัวเขาเลยแต่ที เ, ทเทดีวยวเห็นในวันนี้ในที่จริ ง, งหน้ า, อากองสั้นเนี่ยใ น, นสั้นมันมันใจนโบโอยู่ดอกใจมันจะออกไปมันหลายข้างตาเหลียวไปไหนะใจไปหันพอดโอยู่นําเกลีของหูแต่ใจออกไปทั้งหูก็ได้ทั้งดังจมูกทั้งกายสัมผัสพอไปสัมผัสที่ยังอันว่าเกลีของมาเกลีของสอบในปี๊ออกไปโหลดใจ พ อ, อยูบ้า น, นพออีนพพออน้เพื่อนบยืนใเฉของพอยืไในายแต่เสายรักษาใจเนี่ยไวหวไอ้มันได้มันร่างกายเขามาเกิดแล้วห น, น, นึ่งพ่อได้ยังไงไอ้มันได้ใจใจมันมากมาก ม, มาได้ร่างกายแล้วนนึ่งยังไงร่างกายเป็นสิ่พ่ได้ใจนสิ่เสียไปน้ามันน่มีทุ่นไปข่าไปขายแล้วกาไลก็พ่ได้ทุน่นสมอ มันทีได้อย่างไรมันสมมเลยขาดทุนแบะขาดไปขนามากหอดเบลือได้ทุนเหมือนโบมนขาดคือได้ ม, มดมดทุนแบบ น, นใสโบได้แล้วมาอยู่น้เขาก็มาอยู่ยูซีนี่พอได้อยู่พอได้เฒ่าพอได้ตายนเขาวงซีนี่แล้วขันภาวนาล้วก็ได้ น, นะโบได้ดอกภาวนาเอา